ยายสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตเนือเพราะสิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์เราถูกความทุกข์อย่างแล้วเรามีความทุกข์เป็นเรื่องหน้าแล้วอันนี้เป็นข้อที่น่าคิดมาก แล้วก็เป็นข้อเตือนใจสำหรับทุกคนมีพาคนที่รู้สึกว่าทุกวันนี้ฉันก็สบายอยู่แล้วทุกวันนี้ฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วลไม่ต้องจะมาขนขวายปฏิบักธรรมอะไรเลยอันนี้ก็ถึงระลึกไว้ว่า จริงแล้วนี่ความทุกข์มันอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาเป็นแต่ว่ายังไม่แสดงตัวออกมาเมื่อความเจ็บป่วยความหรือว่าโรคภัยมันก็อยู่กับเรามาโดยตลอดก็ว่าได้จริงแต่ว่า รอโอกาสแสดงตัวเมื่อไหร่ในร่างกายของเรานี้ถ้าเราตรวจเอาจริงๆแล้วก็อาจจะพบว่ามีเชื่อโรคเยอะเคยเ ค, คมีเซลล์มะเร็งอยู่ด้วยเ็นแต่ว่ามันยังไม่แสดงตัวไม่แสดงอาการออกมาเราก็ยังมี เราก็เลยยังสามารถที่จะดำเนินชีวิตตามปกติได้แล้วเราก็เรีย ก, กวาเพราะฉะนั้นว่ามีสุขภาพดีแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีโรคนะมันมีแต่ว่ามันแฝงอยู่ที่เราเรียกหรือเราคึกว่าเรามีความสุขก็ไม่ได้แปลว่าเราปราศจากทุกข์นะเป็นแต่ว่ามันยังไม่แสดงตัวออกมามันก็รอ รอโอกาสหรือว่าฉชฉ โ, โอกาสที่จะแสดงตัวปรากอตัวโดวยข้อในยามที่เราเผลอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประมาทไม่ได้ก็ต้องพรายามทำความเข้าใจนะกับสิ่งที่เรียกว่าทุกมีนักเขียนคนหนึ่งนะเขาพูดถึงทุกนี้เอาไว้ดี ก็บอกว่าทุ่งนี้เป็นเหมือนเพื่อนแท้ของเราเนีก็คือว่าอยู่กับเราคบกับเรามาตลอดเวลาเป็นเพื่อนแท้ในแง่ที่ว่าไม่ว่าเราจะจนหรือรวยไม่ว่าเราจะโง่หรือฉลาดนะไม่ว่าเราจะสวยหรือไม่สวยหนุ่มหรือแก่ความทุ่งนี้ก็จะ เรีว่าตามติดเรามาตลอดเรีว่าคบหาเราตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนตายเลยเราะว่าได้เป็นเพื่อนแท้แต่ก็มีนิสัยประหลาดอยู่อย่างหนึ่ ง, งก็คือว่า <c oughs> เวลาเราเบื่อเพื่อนคนนี้นะ <c oughs> เขายิ่งอยากจะเข้ามาหายิ่งอยากมาคลอเคลียด้วย แต่เวลาเราเข้าใจเขาเขาก็กลับจะหายหน้าไปจากเรามาเยือนบ้างเป็นครั้งคราวเวลาเราเบื่อนี่นะเราลำคานหรือแม้กระทั่งเราชังเขาเนี่ยนะเขายิ้มมาอย่างหนึ่งแต่เวลาเราเข้าใจเขาเขาเขาจะหายไป อยู่เป็นครั้งเป็นคราแล้วก็หายไปแล้วก็เดี๋ยวก็มาใหม่แล้วก็วไปเหมือนกับว่ายิ่งอยากผักใสกลับยิ่งเข้ามาแต่ว่าพอเราเออรู้จักเขาดีไม่ได้มีความชิงชังอะไรเขา น, ะขานี่กลับจะเหินหา่าง ในเวลาที่เราไม่อยากจะให้เขามาเขาก็มาซะเหลือเกินแต่เวลาที่เราไม่รู้สึกลำคาญอะไรเขาเลยนะเขาก็ไม่รู้หายหัวไปไห น, น, นเป็นนิสัยทิ่ตลาดแล้วก็ น, นิสัยยันก็คือเจ้าชู้นะก็คือว่าไม่ว่าใครในโลกนี้นี่เขาไปยุ่งหมดเลย ไปยุ่งกับทุกคนในโลกนี้นะโดยไม่เลือกว่าจนหรือรวยไม่เลือกว่าจะสวยหรือว่าไม่สวยหนุ่มหรือแก่ไปยุ่งหมดไม่มีใครที่ไม่เสร็จนะเจ้าเพื่อนคนนะี้ขณะเดียวกันนะก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เราหลงไหลไอ้เจ้าทุกขนี่เราไม่ค่อยชอบนะ แต่เราชอบอีกคนหนึ่งเรียกว่าน้องสุขก็ได้นะน้องสุขนี่เราทุกคนนะก็หลงไหลน้องสุขแต่ว่าน้องสุกนี่ก็ชอบเล่นตัวเหลือเกินเขาเป็นคนขี้ตกใจด้วยก็ได้เวลาเราเข้าไปหาเขาเขายิ่งถอยหนีเขายิ่งถอยหนี ข, หนขี้ตกใจมาก แล้วก็บางทีก็เหมือนกับเพื่อนเทียมก็คือว่าชอบชวนให้เราหลงไหลชอบพาเราไปสนุกสานเพืิอเพินแต่ว่าถึงเวลาเวลาเรามีปัญหาจะชอบทิ้งเราเวลามีปัญหานี่ก็ทิ้งเราเวลาเราเดือดร้อนก็ทิ้งเราหรือบางทีเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาก็ทิ้งเรา ไม่มาอยู่เป็นเคพื่อนอย่างที่เพื่อนที่เป็นนิตรแท้นี่ควรจะเป็นอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เหมือนกับเปยบตรงกันข้ามกับเพื่อนที่ชื่อว่าทุกนะเพื่อนที่ชื่อว่าทุกนี่เรียกว่าตามติดเรามาตลอดนะยิ่งเวลาเราเจ็บเรบป่วยด้วยนี่ยิ่งนะ มากรอกแกเรามากเป็นพิเศษอันนี้เป็นเป็นเป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจเพราะว่ามันทำให้เราเห็นลักษณะที่แตกต่างกันของความทุกข์และความสุขตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ก็วนเวียนอยู่กับ หรือบางทีก็ปวดหัวอยู่กับนิสัยแปลกแปกนิสัยประหลาดของเพื่อนที่ชื่อว่าทุกข์แล้วก็สุขนี้แหละแต่ว่ามันมีเพื่อนอีกคนที่สำคัญมากเพื่อนนั้นชื่อว่าสติถ้าเรามีเพื่อนที่ชื่อสติเมื่อไหร่เนี่ยความทุกข์ หว่าเจาตัวทุกเนี่นะจะสงบเสงี่ยมเวลาเวลาทุกมาเกากแกะมายุ่งกับเราแต่ถ้ามีสติอยู่ด้วยนี่ทุกนี่ก็จะเริ่มเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มสอนทำให้กับเราแล้วก็จะมาสอนที่เราไม่ประมาททิศสายก็จะเปลี่ยนไปเลย แต่ก่อนที่จะมารบกวนมาลังคา ม, มากาะแกะเราก็จะกลายเป็ว่ามาสอนให้เราไม่ประมาทให้เราคอยระมัดระวังไม่ประมาทกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเวลาเจอความเจ็บป่วยหรือว่าเวลาเจอความลําบากมีสอนได้เป็นตัวสอนให้เรารู้จัก ความแม่ประมาทความสุขก็เหมือนกันนะเพื่อนที่ชื่อว่าสุขเนี่ยนะเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติเป็นเพื่อนด้วยนี่สุขก็จะนิสัยก็จะเปลี่ยนที่ชอบทิ้งเราเวลามีปัญหาหรือว่าเวลาเราอยากใช้เขาอยู่ด้วยเขาก็ชอบหนีเหมือนกับคนที่ชอบเล่นตัว แต่พอเรามีสติเป็นเพื่อนนี่เข้ามาหาเองนะเข้ามาหาเองนะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราต้องไปหาเขาแล้วเขาก็คอยนีตลอดเวลาแต่พอมีสติอ้าวเขามาอยู่กับเราเลยอยากจะมาอยู่กับด้วยกับเราแต่ในเวลาเดียกันนะสติก็ทำให้เรารู้ว่า เพื่อนที่ชื่อสุขนี่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะเราก็จะหลงไหลเขาน้อยลงพอเราก็รู้ว่าเขาก็มาแล้วก็ไปไม่มีความแน่นอนอะไรอันนี้ก็เริ่มแปลงนะคือพอเราไม่ค่อยไม่ค่อยไปหลงไหลเขาแล้วนะเขาก็กลับชอบมาเวียนมาหาเราอยู่เรื่อย ส ต, ติเนี่ยนะถึงเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเราไม่อยากปวดหัวนะกับพฤติกรรมแปลกๆของทุกแล้วก็สุขการมีส ต, ติจะช่วยมากอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะของคนักเขียนคนนี้เขาก็เป็นเขาก็ยังหนุ่มอยู่เลยนะแต่ว่าเป็นแน่ที่สอนทำให้กับเราได้ดีทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงทุกข์เนี่ยเราก็ มองความทุกข์ด้วยความรู้สึกไม่ชอบมีความรู้สึกเป็นลบนะแต่ถ้าเราลองมองสมัยว่าเออเขาก็เป็นเพื่อนเรานะเป็นเพื่อนเราเหมือนกับที่เราควรมองคนที่ชอบหลังแกเราคนที่ชอบอทาความทุกข์ใจให้กับเราเพราะเขาก็คือเพื่อนร่วมทุกข์เหมือนกันที่เราควร มีเมตตามีกรุณาหรือมีความเข้าใจเขาทุกนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจเขาแล้วนี่เราก็จะไม่เกลียดเขาและถ้าเรารู้จักเขาดีว่าเขาเป็นอย่างนี้นะเราก็จะไม่จิงชังเขาเราก็เห็นว่าเออเขาก็เป็นอย่างนี้แหละนะเหมือนเพื่อนบางคนชอบพูดมากหรือว่า ชอบอามาสายาเราก็ที่ผ่านมาเราก็า จ, จะรำคาญเขาหรือบางทีก็กดแค้นขุ่นเคืองอเป็นเพราะว่าเรายึดเรามีความคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอย่างอื่นแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเขาก็มีนิสัยแบบนี้แหละ เป็นนิสัยที่บางทีก็เรียกว่าเปลียนไม่ได้หรือว่าคือสันดานเราก็เออเข้าใจเขาพอเราเข้าใจเ่าแล้วนี่ก็หรือยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติของเขาเราก็ไม่ทุกข์เพราะเขาเราก็ไม่ขุ่นเคืองเพราะเขาแล้วเรามองความทุกข์แบบนี้บ้างมองด้วยความเข้าใจมองว่ามันเป็นธรรมดา ความเจ็บก็ดีความป่วยก็ดีมันทําความทุกข์กายก็จริงนยแต่ว่าก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำความทุกข์ใจให้กับเราคน เ, เราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาป่วยแล้วยัไม่ใช่แค่ทุกข์กายอย่างเดียวทุกข์ใจด้วยเพราะมีความคาดหวังมีความคาดหวังว่าฉันไม่น่าเป็นฉันไม่น่าป่วย เราไม่มีความเข้าใจมากพอที่จะยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาแต่ทุกอย่าตามที่เรายอมรับว่ามันเป็นธรรมดาก็ได้แต่ป่วยกานแต่ว่าใจไม่ป่วยมีบางทีถ้าเรามองว่าเออความเจ็บความป่วยนี่เขาก็มาเตือนใจเรานะมาเตือนให้เราไม่ประมาทกับชีวิต มาเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสังขารก็คือมาสอนอนิจจังให้กับเราแล้วก็จะขอบคุณเขานะว่าเขาเนี่ยที่จริงไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนนะแต่เป็นอาจารย์ด้วยความเจ็บป่วยนี่นะเป็นอาจารย์สอนทำให้กับเรา แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราป่วยหรือเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยใจเราก็ตัดกรุ่มขุ่นเคืองเราก็เลยถูกความทุกข์ซ้ําเติมหรือเหมือนกับว่าถูกความทุกข์มีแรงความหนักขึ้นผู้ที่ฉลาดเนี่ยต้องรู้จักนะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรบางคนไี่คิดว่าศัตรูนี่ต้องกําจัด เพราะว่าศัตรูนี่มาสร้างความเจ็บช้ำน้าใจสร้างความทุกข์ให้ต้องกาจัดศัตรูต้องเอาชนะศัตรูแต่ว่าศัตรูบางอย่างนี่นะเราไม่มีปัญญาเอาชนะได้วิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ศัตรูแบบนี้นี่หมดไปก็คือเปลี่ยนให้เป็นมิตรซะพอเราเปลี่ยนให้เป็นมิตรแล้วเนะี่ย ศัรตรูก็หายไปเป็นการกำจัดศัตรูโดยที่ไม่ใช้ศาสตราไม่ใช้อาวุธไม่ใช้ความรุนแรงเป็นการกำจัดศัตรูด้วยสันติวิธีวิธีรับเมือกับความทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะไม่ว่าความทุกข์ที่เป็นความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพร่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีใครที่หนีพ้นนะเราไม่ชอบ แต่เราไม่มีทางหนีคนอย่างดีก็แค่ชะลอหรือว่าหนีให้นานที่สุดแต่ในที่สุดก็ต้องเจอเมื่อเจอแล้วถ้าเราไม่รู้ไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับเขาคิดแต่จะหนีอย่างเดียวหรือคิดแต่จะชนะอย่างเดียวเราจะทุกข์เพราะว่ายิ่งเอาชนะนะก็ยิ่งให้แพ้ นั้นวิธีที่เราพึงจัดการหรือท่าทีที่พึง น, นี้คือว่าเปลี่ยนให้กลายเป็นนิสัยหรือว่าเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมะซะถ้าเราเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมะเราจะไม่กลัวทุกอีกต่อไปทุกข์ก็จะกลายเป็นของดีนะจะกลายเป็น อาจารย์ที่สอนให้เรารู้จักพัฒนาปรับปรุงตัวสอนให้เรามีปัญญาเพราะถ้าเราไม่มีปัญญาจะมีความหลงเราก็จะยังมีความคาดหวังที่ติดผิดเช่นคาดหวังว่าฉันต้องไม่แก่มีความคาดหวังหรือยึดมั่นว่าฉันต้องไม่ป่วย จะต้องมีชีวิตที่สดวกสบายไปเรื่อยๆหรือคาดหวังว่าคนที่ฉันรักจะต้องอยู่ไปตลอดไม่ว่าเป็นลูกเป็นหลานหรือพ่อแม่ก็คาดหวังว่าเขาจะไม่ตายเมื่อเราคาดหวังแบบนี้เรากำลังหลงแล้ว ความทุกข์ก็จะมาสอนเราด้วยบทเรียนที่หนักหนาสาหัสหรือจะพูดยังไงคือว่าจะถึงกับเคี่ยวเข็นเราหรือว่าโบยตีเราได้ซ้ำเพราะเวลาเราเจอการบ้านแล้วเราทำไม่ได้นะครูที่ดุก็จะตีเรา สมัยทยต่อมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนนี่ตอบเลขผิดสักข้อนึงก็ถูกตี mm hmm. ขีดเส้นไม่ตรงก็ถูกตีเส้นจดหมายนะเส้นซองจดหมายสมัยเด็กๆนี่เวลาวิชาจดหมายนี่เราก็ต้องขีดเส้นเป็นซองจดหมายด้วยทั้งๆ ท, ที่ในความเป็นจริงเราก็ไปซื้อเข้ามาแต่ว่าในวิชานี้ก็ต้องขีดเส้นเป็นซองจดหมาย ห้านิ้วถ้าถ้าไม่ถึงห้านิ้วก็ถูกตีนะถูกตีทุกเรื่องนะถ้าไม่ไม่ไม่ระมัดระวังความทุกข์ก็เป็นแบบนี้นะคือว่าเขาก็จะให้บทเรียนแก่เราให้การบ้านยากๆแ ก, ก่เราที่จริงกานบ้านง่ายๆก็มีนะแต่การบ้านยากๆ ก, ก็เยอะและถ้าเราทําไม่ได้เราสอบตกหรือว่าเราทําผิดเราก็ถูกตี เวลาของหายเราทําใจไม่ได้เราก็ยังหวงคิดยังหวนคิดถึงของที่หายทั้งน้นที่มันเป็นอดีตไปแล้วหรื อ, อยังยิดมาว่าอยากเป็นของฉันของฉันทั้งน้นที่มันเป็นของใครไปแล้วก็ไม่รู้อันนี้ก็แสดงว่าเราหลงเรางโง่ความทุกข์ก็จะโบยตีเราก็คือเจ็บปวดทุกข์แต่นั่นก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าของนี่ หายไปก็ซื้อหาใหม่ได้แต่บางอย่างนี่สูญไปแล้วนี่เอากลับมาไม่ได้นะ mm hmm. เช่นความตายงนที่เรารักหรือว่าร่างกายอาวัยวะของเราที่พิการไปหรือสูญหายไปถ้าคนที่มีปัญญา ได้รับบทเรียนจากความทุกมาตรู้ว่ามันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นธรรมดาความทุกข์ก็จะไม่ไม่ไม่ตีไม่เคียนถือว่าสอบผ่านแต่ถ้าเกิดว่ายังเสียใจยังมีความเศร้านะก็จะถูกความทุกข์นี้เคียนตีเสียของไปแล้ว เสียคนรักไปแล้วก็ยังเศร้าโศกเสียใจนะถูกความทุกข์นี่เคียนตีบางทีเป็นปีๆเลยนะไม่ยอมเลิกไม่ยอมสารจนกว่าจะฉลาดฉลาดเมื่อไหร่คือยอมรับได้ว่าเออใช่สินะมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยพอที่พอฉลาดแล้วเนี่ยความทุกข์ก็ไม่เคียนตีแล้ว ถือว่าเราฉลาดขึ้นคราวนี้พอเราเจอโจทย์ที่ยากกว่าเดินเช่นถึงเวลาที่เราจะต้องตายเนื่องจากเราได้รับบทเรียนจากความทุกข์มาเราฉลาดขึ้นเราไม่ตีโพยตีพายเรายอมรับได้ว่ามันเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามมาคือความสงบความสงบเย็น แป้ว่าร่างกายจะป่วยนะแต่ว่าใจนิสงบนได้นี้ถ้าเรามองเรามีท่าจีต่อความทุกข์แบบนี้เนี่ยเราจะขอบคุณความทุกข์ได้ซ้ําเราจะขอบคุณความทุกข์ที่ทํำให้เราฉลาดอาจารย์พุทธท่านบอกว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ฉลาดทุกทีป่วยทุกที ก, ท ก, ทท ก, ทก็ต้องฉลาดทุกที มันสอว่าความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดถ้าเราป่วยทุกทีเราก็ทุกๆ ท, ทีนี่แสดงว่าเรายั ง, งโง่ยงอยู่เรายังขาดมิตรแท้ก็คือสติเรายังขาดมิตรแท้อันนี้คือปัญญาแต่สติแล้วก็ปัญญานี้ก็ไม่ได้มาจากไหนก็มาจากาทุกนี้เองทุกนี้ทําให้เราเนี่ยต้องขวนขวายหา หาสติหาปัญญามาเป็นเพื่อนซึ่งตรงข้าปกัสุขนะเวลาเวลามีสุขเนี่ยเราจะไม่นึกถึงสติเราจะไม่นึก ถ, ถึงปัญญาซึ่งอันนี้คืออันตรายเพราะว่าพอคนเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วมีความเสื่อมก็เกิดขึ้นได้ง่ายสังเกตว่าเวลาเรามีความสุขนี่เราจะเลิดเพลิน นะเราจะเพ้อเผลอเะจาจะชล่าใจอย่างคนที่บอกว่าฉันก็มีความสุขอยู่แล้วทุกวันนี้ฉันจะไปปฏิบัติธรรมทำไมนะสมมติว่าที่เขาพูดมัจริงก็ถือว่าเามีความสุขแต่การที่เขาพูดชฉยๆก็แสดงว่าเขาประมาทเพราะเขาไม่ได้คิดหรือว่าวันนี้สุขก็จริงพรุ่งนี้อาจจะทุกข์ก็ได้ พรุ่งนี้อาจจะพบว่าตัวเองนี้เป็นมะเร็งก็ได้พรุ่งนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับคนรักก็ได้เมื่อลือ น, นี้ธุรกิจอาจจะล้มละลายเพราะว่าเศรษฐกิจผันผวนอย่างหนักทั่วทั้งโลกอะไรที่สร้างเอาไว้สามารถจะล้มพังคลืนได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเราไตรกองดูวก็รู้ว่าทั้งหมดที่พูดมานี้เป็นไปได้แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่เพราะว่าเพื่อเพลินในความสุขเนี่ยก็เลยประมาทแล้วคนที่ประมาทอย่างนี้แหละที่ความทุกข์นี่ชอบนักแหลงจะเข้ามาจู่โจมและมักจะจู่โจมในเวลาที่ไม่ทันตั้งตัวด้วยความทุกข์เป็นอย่างนี้นะ ชอบจู่โจมในเวลาที่เราไม่ตั้งตัววันสิ็กันยาศูนย์หนึ่งเนี่ยวันนั้นเป็นวันอังคารท้องฟ้าสดใสามากนะเป็นวันที่ทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามปกติอากาศก็ดีนะทั้งที่เป็นเดือนกันยาแล้วแต่ปรากฏว่าตู่ๆเครื่องบินสองลำก็พุ่งมาชนตึกโรเทอร์นะ กลางกรุงนิวยอร์กเนี่ยคนนิวยอร์กบอกว่าเช้าวันนั้นอากาศดีมากเลยไม่ไม่มีใครคาดเชื่อมันจะกลายเป็นมรลกแล้วก็ผ่านมาสิบปีฝันหลงหรือว่าผลพวงจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ยังบีบคั้นจิตใจผู้คนในทุกวันนี้หลายคนมาเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งเพราะในขณะที่ กำลังมีกาลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของชีวิตกำลังมีความสุขลูกก็น่ารักภรรยาก็ดีธุรกิจก็กำลังสวยเป็นมันเลนพอเจอแบบนี้เขาก็จะโกรธแค้นโกรธแค้นชะตากรรมทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชัน้นตามาก็พบหลายคนมากที่ มีชีวิตที่ราบลื่นแต่พอป่วยทำใจไม่ได้อยากจะตายท่าเดียวเพราะว่ามะเล็งนี่มันเล่นงานหนักมากอันนี้ก็เรียกว่าผูกความทุกข์นี้มันเล่นงานมันชอบเล่นงานทีเผลอแต่ว่าแม้กระทั่งในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยก็ยังไม่สายนะ ที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นมิตรในแง่ที่ว่าหาประโยชน์จากเขาหรือว่าเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นอาจารย์ที่มาช่วยสอนให้เรามีความฉลาดมีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นจะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศาัยสตินะเพราะถ้าไม่มีสตินี่จะอาจจะทุกข์ ซ้ำ ส, สองซ้ำ ส, สามด้วยมีคุณป้าคนหนึ่ง <c oughs> ก็ป่วยอยู่หลายครั้งไปหาหมอ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอันนี้โรงพยาบาลรั์นะแล้ววันนึงหมอก็บอกกับเธอว่าป้าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนจะตกใจมากเลย เราก็ว่ากลับไปบ้านอยู่ได้แค่สิบสองวันก็เสียชีวิตทำไมถึงเสียชีวิตเร็วกว่าที่หมอพยากรเอาไว้อันนี้ก็เพราะว่าความความทุกข์ใจไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงอันนี้ได้ก็ทำให้ใจนี่กังวลวิตกไปถึงอ น, นาคต ตอนนั้วันนี้นี่กูยงทำอะไรได้อยู่แต่ว่าใจนึกไปถึง3เดือนข้างหน้าแล้วว่าฉันจะอยู่อย่างไรใครจะดูแลฉันและทรัพย์สมบัติของฉันล่ะนึก ไ, ไปถึงวันที่ตัวเองเจ็บป่วยข้ามช็อตไปเลยนะแทนที่จะคิดว่าเออฉันมีเวลาเหลืออยู่แค่นี้ฉันจะรีบทําอะไรบ้างที่ควรทำํทำรีบทําบุญรีบจัดการมรดก หรือว่าพยายามที่จะมีความสุขกับทุกวันให้ถือว่าทุกวันนี้เป็นเหมือนของขวัญ น, นะแต่นี่มองข้ามฉอดไปถึงวันที่เตือนกำลังจะตายนะแล้วก็ทำใจไม่ได้ไอ้ความทุกข์้นขาคือทำใจไม่ได้หรือไม่อยากรับความจริงว่าเตือนเนี่ยจะต้องตายเพราะว่าไม่เคยนึกถึงเลยมีบางคนนะตั้งแต่จำความได้นี่ไม่เคยนึก จริงๆยังจังเลยว่าตัวเองจะต้องตายสักวันหนึ่งตอนนั้นที่ก็เห็นคนตายมาเยอะแต่ไม่เคยนึกว่าความตายจะเกิดขึ้นกับตัวเรียกว่าอยู่แบบลืมตายและไซร์ทำให้คนอยู่แบบลืมตายได้เพราะว่าเพื่อเพกับความสุขเพื่อเพิกับความเป็นหมุ่นเป็นสาวความไม่มีโรคไม่มีภัยความสดกสบายพอมาเจอความจริงเขว่า ตัวเองนี้กำลังจะตายทำใจไม่ได้อันนี้เรียกว่าถูกความทุกข์เนี่ยมันโบยตีซ้ำสองซ้ำสา ม, สามคือป่วยกายแล้วไม่พอยังป่วยใจแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับความจริงมีปัญญาเห็นว่ามันเป็นธรรมดาที่สักวันเราต้องตาย ในขณะที่เรายังมีสุขภาพดียังมีชีวิตที่สะดสบายก็ระลึกนึกถึงไว้มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับความตายได้แทนที่จะมองว่าความตายเป็นศัตรูก็กลับมองว่าความตายเป็นมิตรเออความตายก็เป็นมิตรได้นะ สามารถจะทำให้เราเนี่ยเห็นธรรมะได้ชัดเจนมากขึ้นในสายพุทธการมีหลายท่านมากที่บรรลุธรรมในขณะที่กำลังจะสิ้นลมบางทีบรรลุธรรมจิตอุดพ้นขณะที่หมดล ม, มเรียกว่าสมาสีสีก็คือว่าหมดกิเลสในขณะที่ทหมดลม ซึ่งแทบทุกกรณีเลยเกิดขึ้นกับท่านที่กาลังประสบกับทุกขเวทนาเจ็บป่วยหนะักในพระไตปรปิฎณนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่บรรลุธรรมในขณะที่กาลังจะตายส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่เจ็บป่วยมากเช่ น, ร น, นพระเจาาสุโธธนะนี่าก็เป็นพระอระหันต์นะแล้วก็พระติสัตวที่ร่างกายผุกรองไปด้วยแผลเต็มตัว น้ำเหลืองน้ำเหลืองน้ำหนองไหลไม่มีใครอยากดูแลจนพระพุทธเจ้าต้องเสด็จมาพยาบาลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เอาจีวนไปซักไปต้มแล้วก็แสดงธรรมให้ท่านเห็นว่าสังขารร่างกายที่ไม่เที่ยงเมื่อเมื่อวิญญาณหลือจากล่างก็ไม่ตายจากท่อนมาหาประโยชน์นี้ได้ พูดแค่ตัดแค่สองสามประโยชน์เท่านี้ก็บรลรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็สิ้นลมไปเลยอันนี้ก็เพราะว่าถูกเพราะว่าเห็นชัดเลยว่าร่างกายสังขารเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเต็มไปด้วยความทุกข์ทราบซึ้งใจประจับแกใจว่าสังขารร่างกายยืดยืดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยมันไม่ใช่ของเราเลยจริงๆ ยึดไม่ได้แล้วก็ไม่น่ายึดด้วยพอเห็นเช่นนี้ก็เกิดปัญญาจิตหลุดพน้นเป็นพระอระหันต์แล้วก็สิ้นลมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะความเจ็บความป่วยมามาสอนให้ฉลาดคือสอนให้ปล่อยวางสอนให้หลุดจากความหลงว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นยึดถือไม่ได้ และขณะเดียการก็ทําให้ยอมรับความตายได้ไม่ปฏิเสธความตายต่อไปเพราะรู้ว่าชีวิตไม่เป็นอ น, นิจจังคือพอเป็นมิจฉาามเจ็บป่วยพอเป็นมิกฉาความตายแล้วก็จิตก็สงบแล้วไม่ไดิ้นรนนะไม่แสบสายไม่เป็นทุกข์อันนี้คือวิธีการเอาชนะศัตรนะูความตายไม่ใช่ศัตรูของเรา ความตายไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูของเราก็ได้ความเจ็บปวยไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูของเราก็ได้ความสูญเสียพลาดพลาดไม่จาเป็นต้องเป็นศัตรูของเราก็ได้เราสามารถจะเปลี่ยนเขาให้เป็นมิตรเปลี่ยนเขาให้เป็นอาจารย์ด้วยการพิจารณาค่ายควรว่าเออมันเป็นธรรมดาเพามาสอนให้เรามองสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาและปัญญาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จาก การที่เรามาใช้ชีวิตด้วยความไ บ, บ้ประมาทการที่เรามาเจริญสตนะิเพื่อที่เราจะได้เห็นความจริงของกายและใจเพื่อเราจะได้มีสติเป็นที่พึ่งซึ่งสําคัญมากในการที่เราจะเลียนทุกให้กลายเป็นธรรมได้ถ้าเรามีเพื่อนที่ชื่อสติแล้วนี่ความทุกข์ก็จะ เป่นนิสัยนะกลายมาเป็นอาจารย์อย่างที่นักเขียนคนนี้เขาขอเปลี่ยนเพื่อนให้ฟังแต่นอกจากการปฏิบัติธรรมแล้วนะชีวิตประจำวันก็สำคัญนะเวลาเราเจอประสบเหตุไม่คึนปรารถนาในะชีวิตประจำวันเช่นของหายถูกเพื่อนตำหนิหรือว่าคนรักไม่เป็นดั่งใจอย่าเพลิดปล่อยใจให้ทุกข์ สนเราปล่อยจะให้ทุกไปกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่ถ้าเราฉลาดเราจะใช้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมาเป็นการบ้านฝึกใจเราฝึกให้เรารู้จักจปล่อยวางของหายก็หายไปแล้วจะไปยึดมัน่นถือมั่นกับมันทําไมก็ปล่อยวางเพื่อนเขาว่าเราเขาตาหนิเราเก็เห็นว่าเออ จะเก็บเอามาคิดเอามาดีคันติดใจมาทิ้มแถงจิตใจทำไมทุกข์เปล่าเปล่าก็วางมาซะเหมือนอย่างที่เราห้ฟังถึงเรื่องนางอุบาสิกาอุบาสิกาที่บรรลุธรรมได้เพราะว่าปล่อยวางคำตำหนิของอุปชีวกที่เคยเป็นอาจารย์อาจารย์จะตอาว่าอย่างไง ทีแรก็ไปพะวงเลยฟังธรรมะของพระเจ้าไม่รู้เรื่องขอพระเจ้าให้สติปล่อยวางได้ใจก็เปิดรับธรรมะของพระองค์แล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยนี่คําตอบว่าคำํำตำหนิเนี่ยมันก็ฝึกใจเราให้ปล่อยวางได้เป็นการบ้านอย่างดีนคนรักเขาไม่เป็นดั่งใจจะเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยา แล้วเราก็ทุกขึ้นมาแล้วเราก็เครียดว่าเป็นเพราะเขาแต่เราไม่ได้มองมาที่เราว่าเป็นเพราะเราไปยึดมั่นถือมา่นไคาดหวังเกินไปหรือปล่าอาจารย์ชา้างพูดดีนะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถูกทั้งนั้นแต่ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราเราวางใจผิดอาจารย์พูดดีนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถูกทั้งนั้นแต่ที่เราทุกข์เพราะเราวางใจผิดถูกที่หมายความว่าไงก็คือว่า มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามกฎธรรมชาติแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติมาไม่ได้ผิดกฎธรรมชาติเลยคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่เป็นเพราะเราไม่ยอมรับเหตุปัจจัยนั้นต่างหากเราก็เลยทุกข์อันนี้เรียกว่าผิดวางใจผิดดงนั้นเวลาเราเจอเหตุร้ายที่ไม่คืนปรารถนายอย่างที่ว่าซึ่งเป็นเหตุการณ์ธรรมดาธรรมนาใน้อยใชประจำวัน ของหายคนตำหนิคนเล่าไม่เป็นดั่งใจเราอย่าไปเพ้อทุกข์กำมันให้ถือว่านี่เป็นการบ้านที่มาฝึกเราให้มีสติให้มีปัญญาเพราะนี่แหละคือสิ่งที่มาสอนใจเราว่าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามใจทุกอย่างมันไม่เที่ยง มีสารเสริญแล้วก็ต้องมีนิพทาเวลาที่เรามีความเพลิดเพลินยินดีในคําสารเสริญเราก็ย่อมทุกเวลามีคนตนําหนิแต่ถ้าเราไม่เพลิดเพลินกับความสารเสริญเพราะเรารู้ว่าวันนี้เขาชมพรุ่งนี้ก็อาจจะมีคนดา่าถ้าเราเพลิดเพลินกับความสารเสริญเราก็จะทุกข์เพราะคำตำหนิถ้าไม่อยากทุกข์เพราะคำตาหนิก็อย่าไปยินดีในคําสารเสริญคําชม พอระวังใจงี้ได้นะเออไอตำหนิเราเราก็รู้ว่ามันเป็นธรรมดาลโลกเอาแน่เอานอนไม่ได้เนทุกอย่างที่ที่มากระทบเราทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราแม้จะไม่ดีนะก็ล้วนแต่มีข้อดีที่สอนใจเราได้สอนใจเห็นธรรมะฝึกใจเราให้มีสติให้มีปัญญาและการบ้านที่เราเจอทุกวันทุกวันทุกวันนี่แหละ เรารับมือกับมันอย่างดีด้วยสติเราจะเกิดปัญญาและปัญญาที่เกิดขึ้นสติที่ตามมาที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือควบคู่กันก็จะทาให้เราสามารถจะรับมือเหตุการณ์ที่หนักหนาสาหัสในชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นความเจ็บป่ว ย, ยที่รบ้ายที่รักษาไม่หายความสูญเสียการสูญเสียคนรักที่จากไปตลอดกาล หรือรวมทั้งความตายของเราเองเราก็จะไม่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะเราทําการบ้านเราทําการบ้านมาตลอดจนกระทั่งเราฉลาดพอที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมเปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นอาจารย์หรือว่าการเป็นมิตรกับเราได้ถึงตอนนั้นเราก็พร้อมไม่ไม่ตีโพยตีพายต่อไป อันนี้ก็อยากจะฝากให้พวกเราได้นำไปพิจารณาอย่างที่ว่านะความเจ็บป่วยความกายเราลบไม่ได้หรอกลบไปทีไรก็แพ้ใ น, นที่สุดต้องเปลี่ยนให้เป็นนิสัยเราดีที่สุดหรือเปลี่ยนให้เป็นอาจารย์